สัตว์ป่าเนี่ที่สินเสียงร้องเนะีนกกรางมันอยู่ในป่ามันอยู่เป็นฝูงของมันอย่างน้อยก็สี่ตัวเป็นอย่างน้อยแล้วก็ประมาณแปดตัวอันนี้คือนกกลุ่มนี้แล้วก็จะมีหมูมีเพื่อนพวกกรอกพวกกระแตพวกนกอะไรเป็นกลุ่มขระมาณประมาณเกือบสิบประเภทเหมือนกันนะ เออมันจะอยู่เป็นกลุ่มแต่ถ้าว่าตัวไหนเห็นอย่างเห็นเดียวอย่างถ้าเห็นเดี่ยวบินมาบนทางท้องฟ้าเนี่ยพอเห็นเดียวโอบมนยมันจะร้องเสียงผิดปกติแล้วไันเนี่ยเสียงอันตรายเสียงขี้จีซึ่งลักษณะอย่างนั้นนะครับแบบที่ว่าเสียงกรีดเสียงว่างั้นแต่พวกนกทั้งหลายก็เงียบเก็บต่างตัวต่างลบ ของไครของเราจนกว่ามันหายไปแล้วเ น, น, นี่ยยังค่อยนกตัวหนึ่งค่อยร้องขึ้นมาแจ๊กแจ๊กแจขึ้นมายังค่อยหากินตามปกตินี่แหละอันนี้ก็คือมันดู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมองช่วยดูแล ว่าความผิดปกติของกลุ่มของตนเองถ้ามีอริศัตรูเข้ามาร้องบอกกล่าวกันตักเตือนกันอย่างนกอย่างที่บ้านถ้าเห็นเหยี่ยวหรือเห็นอะไรเข้ามาพวกมันจะร้องบอกกล่าวกันไอ้พวกลิงก็เหมือนกันถ้าลิงมันฉลาดขึ้นมากว่านั้นอีกอย่างที่มันจะไปกินลงจะไปลงสวนเขาอย่างนี้นพอเจ้าของสวนเขาก็ เนี่ยพอเล็งลงสวนโอ้โหผมก็เสียหายฮะเขาปนตักยิงบ้างตักอะไรบ้างแต่มันก็เอาบัตรเพอสีเนี่ยเวลามันจะไปเป็นฝูงเนี่ยเอหัวหน้ามันจะไปก่อนนะฮะหัวหน้ามันจะไปก่อนกับทหารคู่ใจตัวสองตัวเอาคนละข้างกันนะทหารคู่ใจก็มีนะลิงนะเต็มก็ลงไปครับดูสังเกต ไม่เห็นคนล่ะปลอดภัยปลอดภัยมันก็นจะร้องกะแก้ก็เพราะก็ไอหมูที่มันซุ่มอยู่ในป่าแตกเฮือลงไปเลยแต่หัวหน้าเนี่ขึ้นขึ้นไปนั่งอยู่ต้นไม้คนนัคอยฟังดูเหตุการณ์ัน่อยจะเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ลงมาด้วยนะจากนั้นก็เ น, นี่ยลูกน้องพอได้กินแล้วกอพวกสมุนคู่ใจมนันน่นะหอบลูก แตงโมบ้างลูกแตงบ้างที่มันจะถือขึ้นไปได้มันขึ้นไปให้หัวหน้ากินนะเลยนหัวหน้าก็คอยอยู่ข้างบนอันนี้แหละคือลิงมันฉลาดนะคือมันมันอยู่เป็นฝูงกันรักษารักษากันคือการเป็นอยู่ของสัปสัด มนุษย์ของเราเนี่ยฉลาดกว่านั้นอีกเนีอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศที่อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งก็มนุษย์นั่นแหละเป็นผูท้ทำร้ายทำลายมนุษย์อันนี้กนน้าคิดอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนั้นก็มาทำร้ายทำลาย เพอร์เพอรยังกลุ่มเพราะตนเองทำลายตนเองอีกต่างหากสรุปแล้วก็คือมนุษย์ทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะความอิจฉาตอนนี้แหละตัวอิจฉานะเนี่ยพออิจฉากันแล้วก็กลัวคนอื่นเหนือกว่าดีกว่านะก็เลยถ้าเขาถ้าเราไม่ได้เขาก็ไม่ต้องไม่ต้องได้นะลักษณะอย่างนั้นพรอิจฉากันทีนี้นก็เลย เสียหายไปทั้งทีมเลยเสียหายไปทั้งทีมเสียหายไปทั้งประเทศคนในกลุ่มนั้นก็จิบหายย่อยยับพันไปหมดก็เห็นไรเพราะความอิจฉากันเพราะความไม่ลงรอยกันเพราะความแตกแยกสามัคคีกันนี่แหละหลวงพ่อมาพิจารณาดูเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวในพระไตรปิฎก เอามาเปรียบเทียบกับการปกครองการเป็นอยู่ของหมู่มนรรุษย์ในยุคสมัยเก่าแก่ถ้าจะพิจา ร, รณาดูแล้วเนะพราะพุทธศาสนานี่อยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์นะพวกเราได้สังเกตดูทำไมจึงว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าศาสนาไหนศนะาสนาไหนก็ตามอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ต้องยึดประวัติศาสตร์ยึดต้นต่อ ยึดต้นาศาสนายึดยึดต้นพราะยึดต้นาศาสนาใครเป็นเป็นผู้ริเริ่มาศาสนานี้วันนั้นพระพุทธศาสนาหรือว่ า, าศาสนาใดก็ตามอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์เพราะนั้นอย่างเมืองไทยของเราเนี่ยหลงพ่อว่าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย อันนี้เป็นจุดบุกพ้องอย่างอย่างร้ายแรงหลงพอวานะเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้จักกรรมพืชของตนเองไม่รู้จักทางไปทางมาลูกหลานเกิดมาใหญ่ทีหลานก็เลยไม่รู้จักว่าชาติไทยนี่คืออะไรเป็นมาอย่างไรถ้าหว่าพวกเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาทุกระดับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างไรทำไมประเทศไทยของเราถึงจีบหาย ทำไมจึงล่มจมทำไมจึงพัฒนาไปไม่ได้อันนี้อย่างพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันให้พวกเราสังเกตดูไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนอย่างที่ลูกพ่ได้อ่านดูว่าใครก็ตามถ้าไปวิจารณ์อันเลาะแปลว่าเป็นซาตานของอันเลาะแปลว่าเป็นอริศัตรูของอันเลาะ สรุปแล้วก็คือเขามาให้พิจารณแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่พวกพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองอีกมุมน่งท่านบอกว่าอ่าสารีบุตรที่เราตถาคต พ, พูดไปเนี้ยพูดแนะนำสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงเชื่อไหมที่เราพูดไปพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหม อจรย์ได้บทยังตอบขึ้นมาว่ายังก่อนพระเจ้าข่าพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติถ้าเมื่อข่าพระองค์นำไปปฏิบัติเมื่อนั้นข่าพระองค์จะมากราบปูนพระพุทธองค์เมื่อภายหลังคือพูดให้ฟังแล้วไม่ให้เชื่อทีเดียวให้นำไปปฏิบัติดูก่อนเหมือนกับพระพุทธเจ้าเวลาปักดำทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทํานาต้องทําอย่างนี้นี่นะขั้นตอนไปอย่างนี้นะ แต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเรายังไม่ได้ปักดำนาผลมันยังไม่ออกมาเราก็ต้องฟังไว้ก่อนนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไงเราก็ต้องฟังต้องฟังไว้เพื่อการศึกษาฟังเป็นวรมมะขูอย่างพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อว่าประวัติศาสตร์คืออะไรคือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าควอมเป็นมาของพระพุทธศาสนา อย่างพวกเราท่านทางหลายจะไหว้พระก็ดีจะสมาทานศีลก็ดีจะสวดพระปฏิโมกก็ดีจะทําสังฆกรรมไดก็ดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยมากเราจะว่านะโมซะก่อนไหว้พระกล่าวอภิวาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อภิวาทได้ยังไม่แล้วนะอัลหัง ส, สมาธิพุทโธพระกาวา พุทธังพระวรรตังอภิวาเทมิอภิวาคืออภิวาทคือขอกลบับไหวพระพุทธเจ้าจากนั้นก็น้าโมตัสสะพระกวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คื อ, คอเรากล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่เรานับถือเดี๋ยวนี้ที่อยู่เราเดี่ยวนี้ เราเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้อบรมในความเป็นมาของพระพุทธศาสน า, าคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นความคิดที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคนว้าศึกษาที่โครนต้นโพเมื่อ 2,550 กว่าปีให้หลังที่โครนต้นโพนั้นที่ได้ตัดสู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นตัดสู้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนในพระไตรปิฎก เนี่ยตัสรู้ปุเพเนวาสานุจติยายนจตูปปาตยานอาสาวะคยะยายนแต่พวกเราไม่ได้ศึกษาพวกเราได้ยินอย่างนี้พวกเราก็งงเอเหมือนกันอะไรยันญานอะไรก็ไม่รู้อฮะไม่รู้ว่าเข่งมรรลุญาณอะไรหลวงพอพูดอะไรวะแต่ถ้าผู้ใดศึกษาตัวปุเพเนวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้แปลเป็นภาษาไทยพราะผู้ได้เจ้าไปนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจิตใจลงปเป็นหนึ่งนิ่งแล้ว ลำลึกชาติผลหลังได้เนี่ยปุเพนิวาสานุสติยาตายแล้วไม่สูญหลักของพุทธาาศาสนาพูดอย่างนั้นแต่พอถึงเทียปะปะปะปะ่ยงคืนจุตูปปาตญาณการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาปาอย่างไรมาเกิดที่นี่ออกจากที่ไหนจะไปที่ไหนอันเนี้ว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตาญาณมีที่ไปที่มาเนี่ยกรรมคือการกระทําของสรรพสัตว์ที่นํามาให้มาเกิดในโลกพอถึงจวนสว่าง อาสวัคยญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชําระกิเลสภายในใจชําระโลภโกรดหลงออกจากพระไทยของพระองค์แล้วใจของพระองค์บริสุทธิ์แล้วอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาจากนั้นพระองค์ก็ได้นํำทำคําสอนที่ได้ตัดจรู้ในวันนั้นออกมาประกาศเผยแพร่ แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอย่างนั้นพระสงฆ์ก็นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราเป็นทอดๆอดมาจนถึงวันนี้เพราะฉนั้นเวลาเราจะทําพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้านั่งโมตัตะปะเขาวะตูข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ย อันนี้คือประวัติศาสตร์หนีจากประวัติศาสตร์ไม่ได้เราต้องพองว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พราะพระพุทธเจ้าแนะนําอย่างนี้เน่พราะพระพุทธเจ้าบอกกล่าวอย่างนี้ศิลธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้กับคนด้านคนนี้ในยุคสมัยนั้นคืออ้างเหตุเพราะนั้นอย่างเมืองไทยของเราก็เหมือนกันเป็นมาอย่างไรชาติไทยของเราเน่ไม่ใช่ว่าดุด่ยขึ้นมาแล้วกับ มีนายกปู่กับมีนายกอภิสิทธิ์นายกทักษิณแล้วก็นายกชาติชายมีเพียงแค่นะั้นอันนั้นก็เป็นอดีตไปอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แคปัจจุบันี้เท่านั้นทับนายกชาติชายนายกเปมขึ้นไปมันก็เป็นอดีตไปอีกละทีนี้อันนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยานเราไม่ได้เรียนถึงอดีตความเป็นมาของชาติไทยชาติไทยเป็นมาอย่างไร เป็นมาตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทร athi พ่อคุณลามคำแหงเหนือกว่านั้นมีไหมกระทรวงจะมีแต่ว่าทําไมเราจึงพูดถึงจุดนั้นก็เพราะว่ามีหลักศีลาจารึกมีหลักศีลายจารึกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเรื่องเรียนภาษาได้แล้วันที่มีหลักศีลายจารึกจากนั้นก็กรุงศรีอยุธยาจากนันกกะกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพ ของเราจนมาถึงยุค ป, ปัจจุบันนี้กี่ร้อยปีที่ชาติไทยเป็นมาแต่ในชาติไทยของเราความเป็นมาของชาติไทยเป็นมาอย่างไรก็ล้มลุ ก, กคลานไม่รู้เกิดเกิดสึกสงครามไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แต่เห็นเป็นประวัติศาสตร์จริงๆ ท, ที่ลงในเป็นประวัติศาสตร์ก็คือสมัยบ้านเมืองเจริญขึ้นมาเนี่ย สมัย่ล่าอาณาจักรประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาร่าอาณาจักรอย่างฝรั่งเศสเขาขึ้ล่าอาณาจักรมาถึงเอเชีย เ, เพราะว่าอาวุธยุทโธปรกรณ์ของเขาทันสมัยกว่าอของเรามีตั้งแต่ดินมปะสิวดินปืนน่ยัดใสกระบอกของเขานอมีปืนทันสมัยแล้ว ถูกระเบิดทันสมัยแล้วเราก็สู้ขเขาไม่ได้แต่นี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะสู้ขเขายัางไงทางอังกฤษเขาก็มาทั้งทางภาคตะวันตกทางอินโดมาเลสสิงคโปร์พรมา่าทางฝรั่งเศสลาวเขมเรเวียดนามยังเหลือแต่ประเทศไทยแห่งเดียวยังอยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งกันหละทำไม เพราะยังแบ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะรัชกาลที่5้าเนี่คือประวัติศาสตร์แล้วนะท่านความเป็นมาของชาติไทยรัชกาลที่5เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติในครั้งนั้นท่านก็วิ่งไปหารัสเซียบ้างไปหาเยอรมันบ้างไปหาอังกฤษไปหาได้ยังไงเพราะเป็นอริัตุรูแล้วจะไปหาฝรั่งเศสบ้างอริสตุรูอีกเหมือนกันก็ต้องวิ่งไปหาบุคคลที่สาบ ให้บุคคลที่สามคุ้มครองบุคคลที่สามก็มากเกินี่แหละมาปกป้องคุ้มครองชาติไทยของเราก็เลยเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นเป็นประเทศเมืองขึ้นของเขานี่แหละอันนี้ถ้าสรรบแล้วก็คือพระปิชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นพระปิชาสามารถของผู้ ท, ที่ท่านได้ดูแลปกป้องประเทศชาติ ให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเขาแต่พวกเราท่านทั้งหลายว่าอยา่างไรตัวลูกหลานทั้งหลายอกโอ้ทำไมอทำไมึะโง่นักถ้าไปเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นเองเขาก็จะดีเพราะเราจะได้เรียนภาษากับเขาอันนี้ทําท่าแข็ง ขึ้นมาไม่ยอมเป็นขี้ข้าเขาเกิมันโง่อยู่อย่างนี้นภาษาชู้เขาไม่ได้ลูกหลานจะด่ายอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องว่าภาคภูมิใจเรื่องเราภาคภูมิใจว่าเราเป็นชาติไทยไม่เป็นขี้ข้าของต่างชาติเรืองว่าเราเสียใจว่าเราไม่ได้ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของเขาเพราะไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียนไปเขาเก่งกว่าประเทศรอบด้านของเรา พอเราจะเข้าประชาคามอาเซียนเนี่ยเราก็สู้ขาไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นขี้ข้าของเขาเราก็เลยด้อยกว่าเขาอย่างงั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคนในชาติให้ถามตนเองเนี่ยเราน่าจะภาคภูมิอย่างมากเราไปอิสระแล้วเราด้อยกว่าเขาอย่างไรใช่ไหมที่เราเป็นประเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของเขาเราด้อยกว่าเขาใช่ไหม ที่มีพระเจ้าเป็นดินปกครองประเทศชาติเราไม่เห็นด้ยอยกว่าเขาที่ตรงไหนเลยเราเป็นอิสระเราเป็นใหญ่กว่าเขาอีกต่างหากแต่คนในชาติทุกวันนี้มันด้อยกว่าออไหร่เพราะคนในชาติทะเลาะกันพูดอย่างนั้นได้อิจฉากันอิจทะเลาะกันอิจฉากันความอิจฉาอยู่ที่ไหนบรรเลยที่นั่นความอิจฉากันอยู่ที่ไหนบรรเลยที่นั่นถ้าความอิจฉาอ ย, อยู่ในวัด วัดนั้นขก็บรรลัยจิบหายถ้าว่าคนในชุมชนใดหมู่บ้านใดทะเลาะกันอิจฉากันชุมชนละกลุ่มนั้นก็จีบหายมือกันอย่างที่หลวงพ่อพูดขนาดนกเขาก็ยังมีความพล้อมเพียงสมัมกีกันยังเป็นหูเป็นตาปกป้องกลุ่มท้องเขาอยังขนาดเป็นสัตว์ที่รักานยังเป็นลิงมันก็ยังดูแลยังมีหัวหน้าคุ้มครองหมู่พวกเพื่อนของเขา นกที่มันอยู่ในวัดของหลงพ่อมันร้องขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มของเขาถ้าเราไปมันไปเห็นพระเห็นอะไรมันก็ตัวที่เห็นก่อนมันก็ต้องบินแล้วก็บอกกล่าวขึ้นมาเอ้ยแปลกฟ้องว่ไม่เคยเห็นว่าลบว่อพวกมันก็ร้องจี้กล้าขึ้นไปต่างตัวต่างเงียบบินไปคนละทิศทางเพื่อเอาตัวรอดอันนี้ก็คือความบอกกล่าวกันเพราะการอยู่ด้วยกัน พิษภัยเกิดมาขึ้นมาอย่างไรไมาต้องช่วยกันคิดนี่ก็เหมือนกันประเทศชาติถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบกันต่างคนต่างอิจฉากันหลวงพ่อพิจณ า, าดูแลมีแต่ความหายยนะความขิบหายถึงจะมีความรู้ขนาดไหนก็เถอะถึงจะรู้ความคิดของเราอาจจะเป็นความรู้อีกแนวหนึ่งเราก็ต้องฟังต่างคนต่างฟังกัน เออต่างคนต่างปรึกษากันต่างคนต่างฟังแล้วก็ต่างคนก็ต่างให้แนวความคิดต่างคนต่างระวังระวังตัวเองระวังความคิดระวังการพูดระวังการกระทําต่างคนก็ต่างระมัดระวังถ้าว่ามีมีความระเวงระวังอย่างนั้นหลวงพ่อว่าการอยู่ด้วยกัน มันจะไม่มีพิษมีภยัยแต่ถ้าว่าต่างคนมีความเห็นอย่างไงก็ปลอยเต็มเป้ า, าแล้วก็นั่นอะ่ะต่างคนต่างด่ากันผลที่สุดไม่รู้จะใครด่าใครสิไม่รู้จะเดินไปทางไหนประเทศชาติอย่างนี้วกปนเวียนอิลุมตุงเป๊ะไปเลยๆผลที่สุดจะสู้ประเทศลาวไปจะสู้ประเทศเขมรไม่ได้อีกต่างหากทํามันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ขอฝากกับ ผู้จะจะเป็นผู้บริหารนะเนีความพร้อมเพียงสมัคคีของหมู่ของคณะนะั้นดีที่สุดแต่อย่าพร้อมเพียงกันไปในทางที่ชั่วนะถ้าพร้อมเพียงไปขายยาบ้ายาม้ากจิบหายอีกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าพร้อมเพียงสมัคคีไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเต็นฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ถ้าว่าพระสงฆ์ก็มีหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณะ แต่มีความพร้อมเพียงสัมัาคี ย, ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยสงฆ์ทุกกลุ่มยึดทำคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดในหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนั่นแหละเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลพระสงฆ์ที่มีศีลมีแต่ความร่มเย็นผระศุกแต่พระสงฆ์ที่เป็นอรชิตาเป็นผู้มีไม่มีความละอายต่อบาปเป็นพระอรชีไม่ไม่มีความละอายต่อบาป ทำอะไรก็ทําตามอําเภอใจทําตามอัธยาใจที่ตนเองอยากจะทําถ้าว่ามีมากเท่าไรไปยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเหตุไรเพราะพระไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่อยู่ในวินยัยนี่เหมือนกันคนในชาติถ้าอยู่ในหลักในกฎในเกณฑ์อยู่ในหลักกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจป็นวิยธรรมที่ดีหลวงพ่อว่าความจเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลาย แต่ถ้าว่าพวกเรามีความแตกแยกสามัคคีกันะที่หลวงพ่อเคยพูด น, ะนกกระจาัอาไม่เชื่อฟังหัวหน้าผลที่สุดเราเคยจิบหายทั้งปวุ่จิบหายทั้งทีมแต่ว่าหัวหน้ า, าก็ต้องการคัดเลือกหัวหน้าตัวหัวหน้าก็ต้องเป็นหัวหน้าที่มีความรับผิดชอบหัวหน้าที่พวกเราเลือกแล้วว่าดีาแล้วก็การปกครองหัวหน้าเป็นยังไง แต่ถ้าววาเมเงินกับกบเลือกนายอย่างนั้นเกือบกบเลือกนายทีแรกให้ขอนไม้โยโนออกมาให้พอในส่วนก็ยังไม่พอใจเพราะมันได้บอกเก่าอะไรเอานกกระสามาให้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมาก่อนเราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะเราเป็นต้องใช้จิตใช้ปัญญาอีกเหมือนกันวันนี้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านนาะที่จะเป็น ผู้นำในชุมชนผู้นำในชุมชนเนีคือเนะ่หลวงพ่อบบครูบาอาจารย์เยนะี่ยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ในชุมชนที่สอนเด็กนักเรียนถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบพยายามดูเป็นหูเป็นตาดูแต่สอนให้ดีเด็กนักเรียนของเรานะไม่ได้เลือกว่าอยู่ในชุมชนไหนนะ เราคิดว่าอยู่ในเมืองในกรุงจะดีกว่าเหนือกว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าว่าครูบาอาจารย์มีไฟนะแค่ถ้าว่ามีไฟมีแสงสว่างนําเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าเด็กถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีไฟนะเนี่ยไม่มีไฟไม่มีความรู้ไม่มีความรับผิดชอบเดินนําหน้าเด็กนักเรียนตัวเองก็ไม่มีไฟเด็กนักเรียนก่อน ล้มลุกคู่คานไปเรื่อยเพราะครูไม่มีไฟแต่ถ้าว่าครูครูมีไฟเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นําเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็จะเดินตา ม, ไ, มได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อบอกหัวหน้าเนี่ยสำคัญอย่างพออเนี่ยสำคัญมากอย่างวัดของหลวงพ่อของง้องหลวงพ่อเนี่ยสำคัญมากสําคัญก่อนลูกน้องหลวงพ่อจะพาเดินไปทางไหนพาเดินไปทางผิดหรือไปทางถูกหลวงพ่อจะเป็นผู้นํา จะนำไปสู่วัดไปสู่ความเจริญของวัดวาศาสนาหรือนำไปสู่ความชิบหายก็หัวหน้าวัดเพรกะนั้นโรงเรียนแต่โรงโรงเรียนก็เหมือนกันหัวหน้าที่สําคัญเพาะอในสำคัญท่านจะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่ก็ว่าใจในก็คือเป็นหัวหน้าอันนี้ก็เหมือนกันหัวหน้าของโรงเรียนก็นคือเพออาะอถ้าเพออาอดีมีไฟถ้าเด็กถ้าครูบาอาจารย์เข้ามา เนี่ยเขาจบมาเอา้าให้เขาสอนดูดูเขาดูฝีมือของเขาเฮครูบาอาจารย์ที่มีอายุแล้วก็ให้คอยฟังให้เป็นผีเลี้ยงเขาถ้าว่าเมื่อเขาสอนแล้วก็เออผลมันออกมาอย่างไรเพราะมันเป็นทุกวันนั้นเป็นความรู้ใหม่ๆที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยมันผ่านมาแล้วเน่มันทุกความรู้ใหม่ๆน่าจะเอาความรู้ใหม่ๆเราจะได้ศึกษากับเขาอีก เนี่เพราะว่าเขาได้เรียนรู้มาใหม่ๆวิชาใหม่ๆหม่เบนเสียแต่เขาสอนไปแล้วไม่ได้เรื่องเอออันนั้นเรากลมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่มีไม่มีหูมีตาใช่ไหมมันชื่อบื้มก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะหลวงพ่อวานวเขาฝากไว้กับครูบาจานเนอร์ที่มาวัดหลวงพ่อวันนี้อลตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้ก่อ